<Book> two. <18. S 1> b o o ก2การทาความสะอาดบ้านอูวันนี้เป็นวันเสาร์วันนี้เรามีเวลา วันนี้เราจะทำความสะอาดอพาร์ตเมนต์ผมกำลังทำความสะอาดห้องน้ำยาอุกรยาของผมกำลังล้างรถเเเด็กๆกำลังทำความสะอาดรถจักรยาน คุณย um ่าคุณยายกำลังรดน้ำดอกไม้บ a บ i ิชกาจัด็กเด็กๆกำลังทำความสะอาดห้องเด็กภรรยาของผมกำลังจัดโต๊ะทำงานของเธอมุมนเลซีขูดลิส้วูยพสัตีสตูล ผมกำลังใส่ผ้าที่จะซักลงไปในเครื่องซักผ้าดามปราดโลดอปราผมกำลังตากผ้าปวีสิมปราดลผมกำลังรีดผ้าวิเจฮลิมปราดหน้าต่างสกปรกอกาาพื้นห้องสกปรก Podlaha je špinavá. n a m sokoprok. n á d o b í je špinavé. Kraj Kdo čet na t a n g Kdo u m ě o k n a Kdo d u Kdo vylukuje? Kdo láng n Kdo u m ě n á d o b í